บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนั้นบางครั้งท่านเรียกว่าเป็นการภาวนาคือการกระทำความสงบและความรู้ให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ท่านแสดงไว้4ประการด้วยกันประการแรกคือเพื่อเป็นการสแสวงหาความสุขในปัจจุบันนี้ข้อนี้ผู้ปฏิบัติย่อมพิจารณาเห็นไปจากแก่ใจของตนเองว่านยามใดก็ตามที่เกิดความว้าวุ่นความสับสนขึ้นภายในจิตใจถ้าหากว่า ตนใช้วิธีทำความสงบใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสียคือไม่ปล่อยให้ความคิดต้องครุกคร้าวยู่กับเรื่องเหล่านั้นอาจจะภาวนาบทว่าพุทโธหรือนับลมหายใจเข้าออกหรือแม้แต่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตใจจดจ่อยู่กับเรื่องเหล่านั้นความร่าวรอนต่างๆก็จะค่อยๆสงบลงไปโดยลำดับยิ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนา ซึ่งมีการกระทำโดยสืบเนื่องกันไปมีพลังในทางใจสูงเพิ่มขึ้น <c oughs> ก็ช่วยให้บุคคลผู้นั้นสามารถตัดกระแสะแห่งอารมณ์อันเป็นค่าสึกแก่จิตใจได้ในเวลารวดเดียว <c oughs> ในด้านของวิปัสนาคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถ้าหากว่าปัญญามีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะตัดกระแสะแห่งอารมณ์ ก็ทำได้รวดเร็วมากกิ่งขึ้นจะทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถอยู่ท่ามกลางอารมณ์ต่างๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปกติธรรมดานั้นโดยจิตใจของตนเองมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างที่ท่านใช้สํานวนบาลีว่าไม่ฟูขึ้นและพุ่ลงตามความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลก็จะเต้นคือฟูขึ้นแล้วฟุบลงตามแรงผลักดันของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกถ้าไปประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาเข้าใจก็ฟูขึ้นมีความดีใจมีความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาไม่ต้องการจิตใจก็ฟุบลงมีความเศร้าซ้อยเงื้อ ง, ง้อย พอดูจนถึงก็เสื่อมซึมไปจิตใจก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามแรงของอารมณ์เหล่านี้แต่ถ้าหากว่าได้มีการอาศัยการภาวนาคือกระทาบําเพ็ญให้คุณธรรมทั้งสองประการคือทั้งสวนสมถะและวิปัสสนาบังเกิดขึ้นก็สามารถสงบและสามารถตัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เพียงศักแต่ว่าอารมณ์ ไม่ได้มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของบุคคลผู้นั้นหรือทําความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลผู้นั้นในทางฟูขึ้นหรือพูกลงดังกล่าวนี่ก็เป็นความสุขที่บุคคลสามารถสัมผัสได้เห็นได้ในปัจจุบันแต่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิไปแล้วจากการมีฌานไปแล้วบุคคลสามารถพักผ่อนร่างกาย ด้วยการเข้าสมาธิอย่างพระเรียเจ้าทั้งหลายนั้นเมื่อท่านทำงานร่างกายเหน็ดเหนื่อยต้องจากจมในกิจการงานมากร่างกายของท่านนั้นก็คือร่างกายปกติธรรมดาที่จะต้องขึ้นดูก่อเหตุกับปัจจัยมีความอ่อนล้าอ่อนเพลียได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นท่านก็จะใช้วิธีเข้าสมาธิที่เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการพักผ่อนในร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกาลังเกิดขึ้นและการเข้าสมาธิในกรณีนี้จะเข้าไปเพียงปฐมฌานเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าปฐมฌานนั้นมีปีติมีสุขมีความส ง, งบที่เด่นชัดและแผ่ซ่านไปทั่วสรพางกายของบุคคลผู้นั้นทาให บุคคลผู้เข้าอยู่ในสมาธิประสบความปีติความสุขความสงบอย่างสูงนี่ก็เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารแต่ถ้าบางครั้งบางคราวท่านที่ต้องการจะเข้าไปในรูปสมาบัติท่านก็เข้าอยู่เป็นสุขไปตลอดระยะเวลาเจ็ดวันเป็นต้นนี่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติภาวนาเรื่องของสมถกรรมฐานและ ว, วิปัสสนากรรมฐานประการที่สองนั้น เป็นการเพิ่มปริมาณของสติและสัมปชัญญะให้สูงขึ้นข้อนี้ผู้ปฏิบัติก็วิเคราะห์ตรวจสอบได้ด้วยใจของตนเองเช่นเดียวกันว่าเรื่องของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นคุณในธรรมที่มีเชื้ออยู่แล้วภายในใจของบุคคลแต่ละคนส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับขาดสติเสียทีเดียวธรรมะส่วนนี้เป็นพวก ที่จะต้องมีการภาวนาคือการกระทำให้เพิ่มขึ้นให้มีมากยิ่งขึ้นโดยสติมีความเป็นใหญ่เหนือตัวเองป้องกันสิ่งที่เรียกว่าความหลงความเผลอเรอความลืมความพลั้งพลาดต่างๆได้เด็ดขาดในด้านของสัมปชัญญะก็มีความรู้ทันต่ออารมณ์ที่บางเกิดขึ้นซึ่งเวลาทำงานประสานสัมพันธ์กันทั้งก็เรีย ก, กว่าระลึกรู้ ซึ่งก็หมายความว่าทั้งสติและสามปัญญะได้มีกําลังมากพอทํางานสัมพันธ์กับอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสติระลึกต่ออารมณ์นั้นได้ทันทีทันใดแล้วก็รู้ทันได้ในขณะนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อารมณ์นั้นควรคิดหรือไม่ควรคิดสิ่งนี้เป็นปัจจัยเกือ้อกูลต่อการปฏิบัติหรือไม่เกือ้อกูลต่อการปฏิบัติ ความคิดความนึกความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีความหลงเจือปนหรือไม่หรือไม่มีความหลงเจือปนอยู่เป็นต้นจึงแน่นอนเหลือเกินว่าปริมาณของสติสัมปชัญญะจะต้องสูงขึ้นสูง ข, ขึ้นโดยลำดับเพราะเรื่องบางเรื่องที่มองจากบุคคลผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะมากพออาจจะมองเห็นเป็นความถูกต้องความสมบูรณ์ความดีงามแล้วในจุดนั้น แต่เมื่อปริมาณของสติสัมปชัญญะสูงขึ้นเหมือนปริมาณของแสงสว่างมา ก, กิ่งขึ้นบุคคลก็จะเห็นจุดบกพร่องต่างๆในเรื่องเหล่านั้นได้ทั้งๆที่ในยามอื่นคือยามที่แสงสว่างไม่มากนักก็มองไม่เห็นแล้วลงสันนิษฐานลงไปเลยว่าสิ่งนั้นเป็นดีงามเป็นความถูกต้องไปแล้วพอปริมาณของสติสัมปชัญญะสูงขึ้นก็มองในจุดเดียวกันนั่นเองแต่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่าเดิม กรณนี้เพิ่งเห็นได้ในกรณีของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนบำเพ็ญเพียรในสำนักของอาราดาบทและอุตกรดาบทนั้นท่านดาบททั้งสองท่านมีความรู้ของท่านว่าอารูปไปชานที่ท่านได้บรรลุทั้งในชั้นที่เจดและในชั้นที่8นั้นเป็นความรู้ชั้นสูงสุดแล้วเป็นบรมธรรมเป็นนิพพานสําหรับท่านแล้วเป็นจุดสุดยอดแห่งการประพฤติปฏิบัติ แต่พอพระโพธิสัตว์มาปฏิบัติในจุดเดียวกันเดินไปถึงขั้นเดียวกันใช้สติใช้สัมปชัญญะในกรณีเดียวกันก็พบก็เห็นก็รู้ในลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อทรงเพิ่มปริมาณของสัมปชัญญะสูงขึ้นสติสูงขึ้นก็ ล, ลึกได้โดยละเอียดลงไปว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นที่สุดแห่งความทุกข์เป็นเพียงการพักผ่อนความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง ในโอกาสหนึ่งถึงแม้จะนานไกลยอย่างไรก็ตามชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็จะต้องหมุนวนกลับมาสู่ความทุกข์อีกในโอกาสหนึ่งจึงไม่พอประทัยในลัทธิที่เชื่อถือและสั่งสอนกันในสมัยนั้นอะไรเป็นตัวกําหนดวินิจฉัยให้ทรงเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นในอารมณ์เดียวกันซึ่งคนอื่นเขามองเห็นอย่างหนึ่งแต่พระโพธิสัตว์ท่านมองเห็นของท่านอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสติและสัมปัญญะที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ดังนั้นสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะที่พูดกันเรื่อยไปปฏิบัติกันเรื่อยไปจนกว่าเมื่อไหรส่สติเข้าถึงความไพ่บูรหรือเข้าถึงความสมบูรณ์สัมปชัญญะเป็นยานเป็นความรู้เป็นทัศนะที่เกิดขึ้นแล้วสามารถขจัดกิเลสมีประเภทต่างๆซึ่งมีรากงาออกมาจากอาวิชชานั้นให้หมดไปสิ้นไปจึงชื่อว่าเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะ แต่ในขณะที่เดินทางไปโดยอาศัยการเพิ่มพูนปริมาณของสติในสัมมาชัญญะนั้นบุคคลก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตนสัมผัสได้ดูความแผกเพี้ยนดูความแตกต่างจากเมื่อก่อนได้บ้างความทั้งพลาดความเผลอเรือความหลงลืมต่างๆที่เคยมีก็น้อยลงไปการไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าติดในสิ่งซึ่งปรากฏโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิพิจารณาก็น้อยลงไป ผลที่บุคคลจะพึงได้พึงถึงจากการเพิ่มพูนของสติสัมปชัญญะจึงมีขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้เป็นสมาธิเสียก่อนเป็นฌานเสียก่อนหรือเป็นมรรคผลนิพพานเสียก่อนแท้จริงแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นได้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าในพระธรรมอินนี้มีการศึกษาโดยลาดับมีการปฏิบัติโดยลาดับมีการบรรลุโดยลาดับ ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อศึกษาน้อยปฏิบัติได้น้อยก็บรรลุได้น้อยแต่สิ่งที่ศึกษาสิ่งที่ปฏิบัติสิ่งที่บรรลุนั้นคือความดีความงามความถูกต้องในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งซึ่งสามารถอำนวยประโยะน์เกื้อกูลเป็นความสุขให้แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆที่ทรงใช้อยู่เสมอว่าตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติประการต่อไปนั้น เป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะคำว่าญาณและทัศน์แปลว่าความรู้ความเห็นแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสทั้งห้าคือตาหูจมูกดินกายแต่เป็นความรู้ซึ่งเกิดผุดขึ้นภายในจิตใจโดยอาศัยพื้นฐานคือความส ง, งบอันเกิดจากการปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐาน และเกิดจากปัญญาเป็นเครื่องพินิษฐ์พิจนามองเห็นความแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างไรโดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่เรียกว่าญาณหรือเรียกว่าัศนะก็จะปรากฏผุดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นการปรากฏผุดขึ้นของธรรมะเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้ ก็ต่อเมื่อสภาพจิตของบุคคลได้เปลี่ยนแปลงไปจากปกติธรรมดาอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อความรู้ความเห็นแล้วความรู้ความเห็นเหล่านั้นก็จะเกิดผุดขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วความรู้และความเห็นของทุกท่าน ที่ได้ผ่านการศึกษาปฏิบัติมาตามขั้นตอนและโดยถูกต้องก็จะเป็นความรู้ความเห็นที่เหมือนกันลงการสมกันไม่มีความวิปริตแผลกเพี้ยนไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังนั้นจึงมีลักษณะเด่นที่พึงสังเกตว่าความรู้ระดับญาณทัศนะนั้นเป็นความรู้ที่กระจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้แล้วกระจัดความถือตัวถือตนถือเราถือเขา กา จ, จัดความถือมั่นด้วยศีลวัดด้วยข้อปฏิบัติที่เชื่อถือกันว่าเป็นความขลังเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความมีเศษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องเป็นต้น อ, ออกไปจา ก, กจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วดังนั้นคำว่าญาณทัศน์จึงเป็นผลที่พึงประสงค์จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าในขณะเดียวกันบนเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัติธรรมะจะมองเห็นผลอีกระดับหนึ่งซึ่งลดหลั่นการขึ้นมาจากจุดธรรมดาสามัญที่อาศัยความส ง, งบเป็นพื้นฐานใจทำให้บุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณามองปัญหาต่างๆได้ชัดเจยนยิ่งขึ้นซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วการใช้ความส ง, งบเพ่งพินิพิจารณาสิ่งต่างๆนั้นเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติธรรมดาของ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบางครั้งแม้ในสัตว์ดิเรกชนันข้อนี้เพิ่งเห็นว่าอย่างสัตว์ดิเรกชันมีปัญหาที่จะต้องซ่อนตัวที่จะต้องจับอาหารเป็นต้นแก่ก็จะใช้ความสงบอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในลักษณะที่เตรียมพร้อมเพื่อจับอาหารเป็นต้นนั่นก็หมายถึงอาการของสมาธิระดับหนึ่งบุคคลเราก็เป็นเช่นเดียวกัน เวลามีเรื่องราวจะต้องคิดอย่างลึกซึ้งพิจารณาอย่างรอบคอบก็ต้องอาศัยความสงบเป็นปัจจัยเข้าสนับสนุนมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันพอต้องการคิดใจก็ต้องการความสงบต้องการความเงียบต้องการเป็นเอกเทศสาหรับตัวเองเพื่อคิดเรื่องเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องสมดุลดังนั้นญานณทัศนะที่ได้รับการเสริมขึ้น จากหลักการปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ตามแนวของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจึงทำให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในสิ่งต่างๆโดยอาศัยพื้นฐานของความสงบทางใจเพิ่มปริมาณของสติและสัมปชัญญะเพ่งพินิจพิจารณาดูสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นข้อนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีของอาโปทาต คือธาตุน้ําที่แสดงมาโดยลําดับนั้นโดยปริยายสูงสุดแล้วท่านแสดงสภาวะของน้ําว่ามีความเย็นและทําหน้าที่ขจัดสิ่งโสโครกถ้าอาศัยญาณนะทัศนคือความรู้ความเห็นที่ผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติมาโดยลําดับก็จะมองเห็นว่าแม้สภาวะของน้ําได้ยกขึ้นไปสู่จุดสูงสุด คือการขาจัดบรรดาสิ่งสกปรกและสร้างความเยือกเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติคือมรรคผลนิพพานแต่จากจุดของการเรียนรู้โดยอาศัยน้าเป็นครูนั่นเองบุคคลก็จะมองเห็นว่าการทำงานของน้าในการขาจัดความสกปรกนั้นแ ท, ท้จริงเป็นงานที่ซ้อนกันอยู่2 ง, งาน คือทำหน้าที่กระจัดความสุกปลกด้วยแล้วคงสภาวะคือความเย็นของตนไว้ด้วยเพราะว่าในที่ใดที่น้ำได้กระจัดสิ่งสกกุกปรกในที่นั้นก็มีความเย็นซึ่งเป็นคุณลักษณะของน้ำปรากฏอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในชั้นใดก็ตามธรรมะจะทาหน้าที่ขัดเรา ทำหน้าที่ชําระล้างสิ่งที่สกปรกต่างๆได้แก่บาปได้แก่อกุศลซึ่งอํานวยผลให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลผู้ถูกครอบงำด้วยอกุศลเหล่านั้นเมืม่อธรรมะบังเกิดขึ้นในจุดใดก็จะทําหน้าที่ขจัดชำระล้างในจุดนั้นและในจุดที่ถูกชําระล้างหรือได้รับการชําระล้างนั่นเองก็จะมีความยืกเย็นปรากฏขึ้น เป็นระยะระยะไปและโดยลําดับไปตัวอย่างพึ่งเห็นในชั้นของศีลกุศลและเจตนาที่บางเกิดขึ้นต้องการงดเวน้นการประพฤติเกเรธรรมในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นในเดือดร้อนของบุคคลทั้งหลายนั้นเป็นกุศลและเจตนาที่ทําหน้าที่ชําระล้างอาการทางกายทางวาจาที่เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลอื่นเมื่อล้างไปแล้ว ก็เกิดเป็นความสงบเย็นสงบเย็นด้วยอะไรสงบเย็นด้วยสภาวะของธรรมะซึ่งมีลักษณะเหมือนน้ำอย่างที่ท่านอุปมาเอาไว้เย็นที่ใดเย็นที่กายเย็นที่ใจหลังจากมีความสะอาดบังเกิดขึ้นที่กายที่ใจก็มีความเย็นที่กายที่ใจกายที่กายที่วาจากายวาจาของบุคคลเหล่านั้นจะไม่ขนองกายไม่ขนองวาจา จะมีกายที่กายวาจาที่สงบยุติเวรภัยปิดกั้นกระแสของเวณของภัยเอาไว้ตัดปัญหาต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นยุติปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและยุติเวรภัยที่จะเกิดสืบเนื่องมาจากปัญหาต่างๆเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าเดินขึ้นไปถึงชั้นของธรรมะเพราะในชั้นของสีนั้นอีกภากหนึ่งก็คือธรรมะ ที่เราพูดกันโดยสรุปเปอร์สีนทำพอถึงชั้นของธรรมะธรรมะเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ชำระล้างอีกศีลที่ตรงกันธรรมะที่ตรงกันข้ามกับศีลทางห้าประการนั้นก็คือความมีเมตตาความมีสัมมาอาชีวะมีสถาระสันโดษคือยินดีในคู่ครองของตัวเองมีคาสัตย์มีสติแต่ละอย่างนั้นทำหน้าที่ชำระล้างความพยาบาท ทำหน้าที่ชำระล้างมิตรฉาชีพทำหน้าที่ชำระล้างการไม่สารวมระวังในกรรมทั้งหลายชำระล้างความโกหกความหลอกลวงต่างๆชำระล้างความเผลอเรอความหลงลืมความรั้งพลาดและก็ปรากฏความเย็นขึ้นที่ใจโดยอาศัยเมตตาธรรมเป็นต้นดังกล่าวแล้วพอมาถึงชั้นของสมาธิก็จะมีการชำระล้างในลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็นการชำระล้างที่ยากเย็นมากยิ่งขึ้นกว่าจะถึงจุดของการชำระล้างบางทีก็เป็นเรื่องของทำให้เบาบางลงไปแต่แม้จะเบาบางลงไปก็คงความเย็นในฐานะของน้ำไวในที่นั้ น, น, นด้วยจะนั่งนั่งปฏิบัติทำความเพียรจิตใ จ, จมีความสงบบงังเกิดขึ้นในขณะนั้นใจซึ่งตามปกติมักจะสายไปในอารมณ์ที่เป็น วัตถุการมคือวัตถุที่เกาะให้เกิดความคลายความปรารถนาความยินดีของบุคคลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าบ่วงของมารบ้างบ่วงดอกไม้แห่งามารบ้างวัตถุการามทั้งหลายบ้างหรือว่าสถานที่เที่ยวไปของใจเป็นต้นบ้างใจก็จะถูกหยุดไว้จากการทายไปจากการถูกกระซิบกระซาบจากแรงของกามตันหา ให้อยู่ในจุดของความสงบแสดงให้เห็นว่าอาการสายไปของจิตก็ถูกชำระล้างไปมีความเย็นบังเกิดขึ้นภายในใจในแต่ละจุดของอารมณ์หรือที่ตนได้สัมผัสพอประณีตขึ้นไปกว่านั้นก็จะทำหน้าที่ชำระล้างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นคือใจที่มีความสงบจากการสายไปในวัตถุกรรมดังกล่าว สงบจากการสายไปในเรื่องของบุคคลที่ตนผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทต้องการจะโต้อตอบทำลายล้างชำระล้างความขุนมัวความเศร้าหมองความเสื่องซึมซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายในใจความเย็นก็จะบังเกิดขึ้นในแต่ละจุดแม้ของเรื่องความพุ่งสร้างความเคลือบแคงสงสัยเป็นตน้นพอสมาธิบังเกิดผลขึ้นก็จะเท ก็จะทําหน้าที่ชาระล้างในจุดเหล่านั้นและเมื่อดําเนินสูงขึ้นไปกว่านั้นปัญญาจะเพ่งพินิษพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับแสงสว่างทําหน้าที่กระจัดความมืดหรือโดยอุปมาณนั้นก็เหมือนกับน้ําที่ไปซึมไปในที่ใดก็จชาระล้างในที่นั้นคงความเย็นไว้ในที่นั้นคงความสะอาดไว้ในที่นั้นนี่ก็คือญาณทัศนะ ที่บังเกิดขึ้นในระดับหนึ่งทำให้บุคคลมองเห็นอานิสงค์ความดีแห่งธรรมะก็ะขอเพียงแต่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติหรือแม้แต่มาพินิจพิจารณาเท่านั้นเองข้อนี้ลองนึกดูว่ายกเอาอากุศลขึ้นมาคิดดูการกระทาของบุคคลอื่นด้วยความไม่พอใจเครียดแค้นชิงชังเกิดความอาฆาตพยาบาทต้องการทาลายล้าง แล้วก็ดึงอีกอารมณ์หนึ่งเข้ามาคิดคือเมตตากรุณาก็จะมองบุคคลคนเดียวกันนั้นเองด้วยความรู้สึกภายในใจที่แตกต่างกันเมื่อสึกนึกถึงด้วยความไม่พอใจจะมีปริมาณความเล่าร้อนสูงขึ้นสนิมใจจะมากกิ่งขึ้นแต่พอสึกนึกด้วยความเมตตาความกรุณาธรรมะ ที่เป็นกุศลเหล่าอื่นก็จะเพิ่มพูนเข้าสนับสนุนมีการให้อภัยมีความอดทนมีการข่มใจมีการหักข้ามใจมีเมตตากรุณาเป็นหลักคุ้มครองใจมองคนเหล่านั้นด้วยความเจ็นไม่เป็นนามที่ตามใจหรือตาตาของตนเองนี่ก็คือความเจ็นที่เป็นคุณลักษณะของธรรมะเพราะฉะนั้นแม้เป้าหมายสูงสุดของธรรมะ ที่อุปมาด้วยน้าจะเดินไปถึงนิพพานซึ่งมีลักษณะเป็นความเย็นอย่างแท้จริงแต่ความเย็นของน้ำนั้นก็กระจายกันได้ทุกส่วนทุกระดับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำว่ามีมากขนาดไหนถ้ามีมากก็ชาระล้างได้มากความเย็นก็เกิดขึ้นมากมีน้อยก็ชาระล้างได้น้อยความเย็นก็เกิดขึ้นน้อยแต่ถ้า มีน้ำอยู่แล้วจะต้องมีความเย็นและทาหน้าที่ชำระล้างเช่นเดียวกับกุศลละธรรมทั้งหลายจะมีมากหรือน้อยก็ตามเมื่อบุคคลน้อมนำมาเพียงแต่พินิจพิจารณาเท่านั้นก็จะทาหน้าที่สยบหรือชำระล้างความขุ่นมัวเศร้ามองในจุดนั้นออกไปใจก็จะเยือกเย็นในแต่และจุดตามสมควรแก่ปริมาณของธรรมะที่บงังเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิษพิจารณานี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวญาณทัศนะซึ่งเป็นผลที่พึงประสงค์จากการประพฤติปฏิบัติจริงๆนั้นในแต่ละระดับบุคคลก็มียานมีทัศนะในระดับหนึ่งซึ่งอาศัยความรู้ความเห็นที่ถูกตรงมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยอะไรอาศัยความส ง, งบซึ่งเกิดขึ้นจากสมถะ อาศัยปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากวิปัสสนาจะมองสิ่งต่างๆที่ใกล้ชิดกับตัวโดยมียานัศสนะเป็นเครื่องกำกับจะกลายเป็นผู้ไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงสมบุกบุคคลทั้งหลายจะไม่กำหนัดขัดเครืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองของบุคคลทั้งหลายซึ่งในบางระดับนั้น ก็คุมตัวเองไว้ในจุดหนึ่งในฐานะหนึ่งเพราะปริมาณของธรรมะไม่มากพอแต่ถ้าหากว่าถึงจุดที่ยาณทัศนะมีความแก่กล้าสูงขึ้นแล้วก็จะมองอารมณ์ต่างๆในลักษณะที่เป็นความรู้ความเห็นเกิดขึ้นโดยอนุมโดยอัตโนมัติทันทีทันควัญกับอารมณ์ที่มาสัมผัสทางประสาทสัมผัส ข, ของตนผลที่พึงประสงค์ที่จริงก็เป็นผลสืบเนื่อง ท่านแสดงว่าคือความสิ้นอาสะวะจากจิตใจอาสะวะจะสิ้นไปจากจิตใจของบุคคลได้ด้วยการกระทำอย่างไรด้วยการเพิ่มปริมาณของสติสัมปชัญญะที่สูงขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะเข้าถึงความสมบูรณ์ในจุดหนึ่งก็จะกอ่อให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะขึ้นมาคือความรู้ความเห็นขึ้นมา เมื่อเกิดเป็นญาณทัศ น, นคือความรู้ความเห็นขึ้นมาแล้วตัวญาณและทัศนคือความรู้ความเห็นนั่นเองจะทำหน้าที่ยจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออาสวะจึงอาจจะอุปมาอาสวะเหมือนสิ่งที่โศกปรกญาณทัศนะที่เกิดขึ้นโดยการเพิ่มพูนแห่งสติสัมปชัญญะมีลักษณะเหมือนน้ำ หรืออาจจะอุปมาอาสวะเหมือนความมืดญาณทัศนะที่เกิดขึ้นโดยการเพิ่มพูนแห่งสติสัมปชัญญะเหมือนกระแสสว่างซึ่งจะทำหน้าที่กระจัดความมืดให้หมดไปในแต่ละจุดจะกระจัดได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงสว่างว่ามากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั่นเองอาสวะคือสิ่งที่หมักหมมหมักดองอยู่ภายในใจเมื่อกล่าวโดยสรุป ก็คือการาสวะอาสวะคือการได้แก่ความหมักหมมเก็บกดความพอใจความรักใคร่ยินดีปรารถนาต้องการที่หลากหลายออกไปทั้งในกาลทั้ง3ามภาวะสวะอาสวะคือพบความติดในความมีความเป็นความอยากเป็นในภาวะต่างๆจนถึงอยากเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่อิงอาศัยภาวะตัณหาอยู่ทั้งนั้น ภาวาสะวะอยู่ทั้งนั้นและสะวะตัวรากเก้าจริงๆพื้นฐานให้เกิดอาสะวะอื่นจริงๆก็คืออาวิชาสะวะเรียว่าอาสะวะคืออาวิชาได้แก่ความเขลาวความไม่รู้ความมืดมอดเมื่อมองย้อนกลับไปที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากภาวนาก็จะพบว่าสติสัมปชัญญะจะทําหน้าที่สร้างญาณทัศน์คือความสว่างขึ้นมา ความสว่างนั้นก็โจงกันข้ามกับความมืดเพระาะฉะนั้นเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็ต้องหมดไปเมื่อยาณทัศนะคือความสว่างบังเกิดขึ้นอวิชาสะวะซึ่งเป็นต้นเ้าแห่งสัพพกิเลสทั้งหลายก็ชื่อว่าหมดไปแต่อย่างน้อยที่สุดเนื่องจากปริมาณของแสงสว่างไม่เท่ากันแสงสว่างจะเกิดขึ้น เท่าไรก็ตามก็จะทำหน้าที่ขจัดความมืดในแต่ละจุดที่แสงสว่างยังปรากฏอยู่ชั้นใดญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญภาวนาเสริมสร้างสติสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่ขจัดบันเทาความรุนแรงของกาอาสวะคือกามอสาาวะคือพบอสาาวะคืออวิชชาให้เจือจางลงไปโดยลาดับเช่นเดียวกันฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบ สืบต่อไป